ใช่ด้อ่้ก็เป็นกิเลสแว่าเราปคิดเป็นกิเลสผูดถึงสิตธิของธรรมะนะอย่าพูดตามใจชอบนะอืมันก็เป็นกิเลสเป็นการมัจันหาเป็นวิภาวะมัจจัหา ใช่ใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะเอางี้สิเอายังงี้สิโยมปลาด้ายลูกชายเป็นคนดีนะเป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทำตามความเห็นของโยมแม่โยมแม่ก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นเกียรอย่างี้สิ มันเป็นกีเลสเนี้ยโยมเราในรูปรลานแต่พอพึ่งชั่วเราเป็นทุกทข์เพราะมันกลัวมันจะเป็นอันตรายารเมื่อเราพอพึ่งดีแล้วก็กลัวมันการกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายเรานี่แนหะมันเป็นทุกข์ทางนั้นโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทําได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นติดต้องถามที่ตรงนั้น ที่เป็นที่นั่นคือสิ่งที่ไม่ได้ผ c ผลิตใช่ไหมแต่ว่าถ้าความปรารถนาดีนันผมยังไม่กระาอะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีไหมเหนือดีเหนือชั่วมีเหนือดีเหนือชั่วอ่าดีเหนือดีเหนือชั่วอ่าตรงนั่นแหละ พูดถึงตรงนั้นแต่คนเรามาก่อนธรรมดาสอนให้ดีต้องการความดีเป็นภาษาของเราสมมุติก็ต้องพูดอย่างนั้นถ้าว่าอย่าไปทําดีทําชั่วเลยมันก็งงะนะนี่โดยมากเป็นภาษาของโลกลูกจะตสองทําให้มันดีอย่าไปทําชั่วเลยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะคุ้มตัวเราได้ไหมว่า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 ต้องการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นกิเลบทั้งหมดมถ้าเราต้องการนั้นนั้น้ามันได้ก็ได้้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันอดไม่ได้ถ้าไปแก้ไว้นี่มาแล้วก็ กลัวมันจะแตกมันอดไม่ได้อืมันอดมันไม่ได้แต่กลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันก็ทกเกิดขึ้นมาอย่างนี้อดไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในในภาวะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาตรงมันนึงแต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะไอ้คำพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปก่็ว่าฉันจะไป แต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมมติว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจำเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปแล้วกว่าฉันกลมาแต่พระท่านางไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมติที่ก็ไม่ต้องพูดกันสมมติให้รู้และก็เริกกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันเนือ ไม่ใช่ไม่ ไ, มได้ย่างมีชั้นไปแล้วก็ชั้นต่อมาเป็นเรื่องคําพูดแป่นคนพูดทั่วทึงธรรมดามาันดูดโสดภาษาโลกถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอยโยมก็คว้าเอาทุกไปด้วยนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โลกเขา ต, ต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหม ถ้าโยมจะเอาทุกยงก็พวกเอาทุกไปนะไม่รู้ตัวมันเป็นพื้นสายอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องยึดถืออะไรเลยแต่ว่บการกระทำโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับมันนี่ขึ้นมาจะให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาได้มารวยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปอยู่งโง่เหตุที่มันทุกมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมานันก็ต้องยึดมามันเป็นเรื่องของความคำพูดของเรานะอยึดอนนั้มันมั่นหรือไม่มั่นในรู้เรื่องอืมไอ้ความเป็นจริงไอ้ความยึดน่ะอย่ายึดมั่นคําพูดอันนี้อย่ายึดมั่นไม่ใช่ความถูกมันความสงบ ้าต้องการความสุขดูมันก็เป็นทุกข์คือนันแหละไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากทุกทุกมันไปกันแน่นุอย่างนั้นนะอันนี้คพูดนะนกออกพูดกับพูดด้ำพูดนะ อ, ะอย่างนี้ <c oughs>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 แต่บางคนมันอยู่ในพบถ้าพูดที่เรื่องไม่มีพบก็มันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้เร่อยไ้ว่าต้องการให้คนอื่นเ็กียรติแตถ้าเรายตได้ก็ไม่วมรอย่างนั้นย่างก็ไม่วรผมต้องการให้คนอื่นเป็นเก็ยรติใชเป็นสิียก็ช่วยอย่าช่วยเป็นเกียรติสิดังั้นดนัันถ้ แล้วผมก็มีควรอยากที่มันแล้วผมก็มีควรอยากอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีมีมีคาพูดนะมีคําพูดต้องไปพิจารณาให้ดีอีกนะมันมันมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่ร <SI ู้ว่าจะพูดยังไงไอ้คนในเรื่องหมดความอยากไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไปไหนไปโน่น มาแต่ไหนมาแต่นู้นต้องพูดเป็นธรรมดาว่าฉันจะไปโน้ตไปแล้วฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จักไอความเป็นตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพูดตรงถ้ามีตัวฉันนี่มันเป็นติดฉันมี่แต่เพียงแบบเป็นสมมติไอคนรู้แหละอย่าไปหมาย ม, มันเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นมันถึงดู้อะ ย, ยากเหมือนกัน อ, อันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ไปเข้าใจดี มจะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้อพูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวิพากย์วิจารณให้มันเกิดเป็นปัิจจตังจริงๆไอคําของพระเนี่ยไปพูดในคนอื่นให้เข้าใจมันยากนอกจากคนอื่นสงสัยได้คําพูดไปพิจารณาเห็นเหตุที่มันเท็จจริงจริงให้มันรู้เป็นปัิจจตังถึงจะรู้เรื่องอืมอ ย, อย่างนั้นคือให้แนวทางกัน อัคตารูตัากาตาขระตัาคตเป็นเจปูบอกเท่านั er <Install ative power ambling> ้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางอย่างนี้มันจะก็ไม่ควรยังไงแตกคนนี้แนนไปนำที่เราอย่าให้ไปตีตีกับเขาที่ แนี่ใค้คนทำดีได้แต่เราจะแปเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มีความอยากเราทำดีเราจะเป็นนะนะแนดด้วยความไม่อยาก <c oughs> <c oughs> มันจนิงใช่ยางนี้จะทำยังไงนะคแหนดด้วยความไม่อยาก <c oughs> ม, ม, มันมันมีนะมันมีหรือ <c oughs> <ม>ว่าไงนะว่าไงเอารู้ดิ <c oughs> <ม>แนดด้วยความไม่อยาก คิดแค่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นเห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่อยาไปติดในตรงนั้นบอกแล้วก็ต้องวางอันนั้นให้คนทันคนนั้นทําดีก็ดีไปไม่ทําดีก็กแย่ไปคือเราจะไม่เป็นทุกในทีนั้นเนี่ยคนดอมันสูงหรืมันมันติดอยู่ตรงนี้เหรอยังไงท่า น, นหมายคว ค้าน้รสิ่ง ค, ค, คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี้เร า, เาทำเราทำไปพรกการกระทำของเราได้ไหมหมายมัน่นไม่ยึดหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอการยึดหมายนี่แต่มันเป็นภพชาติอันหนึ่ง แต่นั่นจะทำได้แต่ทําด้วยการในยึดหมายมั่นความต้าาตองการที่เ ไ, <ะ>ไม่ได้หมายหมายไม่ต้องการที่จะยึดมั่นต้องการในคนนั่นทําดีเท่านั้นเพราะนั่นก็ถอยกลับมาอยู่ที่เก่าของเราเมื่อทําอะไรไม่ต้องทำโด้วยอุปาทานไม่มีอะไร ตอนันกันนะแต่ต้องทำงทำโดนไม้หวังผลอ่าใั่ น, นั่นเป็อ น, เออนอย่างใช้คนดีโดยไม่หวังผลอ่าอ่าผลผลนั่นแหะคือจะเป็นเหตุดีละ่ะผลที่เราตรงการน่ะคือมันจะกลับเป็นเหตุดีละ่ะดงนันถ้าหากว่าเราทำไปละ่ะมันทำการทานี่ทาไปแล้วผลมันที่ ท, ที่ที่ว่าผลนั่นมันจะนอกเหตุเหนือผล อเอางีา้ะมันจะไปอยู่ยังไงเราไม่ตองผลเอาไว้ ย, ยังไงไแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่มันนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกเจ้จะพูดแบสุขก็ได้อยู่จ้พูดดยฉันก็ไม่เอาสุขทุกันฉันก็พูดก็ได้เป็นชื่อของของทุกดับกระฉันพูดก็แล้วไปถ้าจะไปติดในสุขในทุกมันก็เป็นภกสิ มันจนพบกันมาอีกต่อตายอีกแต่ว่าคนธรรมดาแล้วมันก็ต้องแยกไม่ออกละถมาว่าท่านคุณไม่ต้องการท่านทําไปทําไมไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงมันเป็นเนี่มันเรื่องระดับของโลกวิโรกุตระมะมันพ้นจากโลกไอ้คำพูดส่วนหนึ่งมันอยู่ในโลกบริหารการงานอยู่ในโลกส่วนโรกุตระทำนั่นเดีวกว่ามันพ้นจากโลกพ้นจากอุปาทานทั้งหลายเหล่านี้ แต่เอาเรื่องนึงมาพูดอยู่ให้คนในโลกนี้เข้าใจสมมุติกับวิมุตินี่มันก็ต้องติดต่อกันอยู่พูดสมมติให้รู้ถึงวิ ม, มุดเมื่อไปถึงบี ม, มุดก็ให้รู้ถึงสมมุติอย่างนี้ทช่ไมก็ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละอธิบายเดี๋ยวนี้แล้จะอธิบายตรงนั้นอีกเล่า วีมุดมันการพ้นจากอะไรอะไรทั้งหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวีมุดสมมุติที่พูดทําไมพูดให้รู้จักภาษากันให้รู้เรื่องการรู้อะไรจะไปหมายมั่นมันจะก็เลิกไม่มีอะไรสมมุติอย่างสมมุติเนี่ยแป้วสมมุติเร่องนั่นก็นนนนไม่มีชื่เกิดตวว่าไม่รู้เรื่อง จะไม่รู้เรื่องอืมจะไม่รู้เรื่องเรองอันนี้มันก็ไม่มีมัน ก, ก่อนมันจะมีมานี่มันสมมุติขึ้นมาว่าถ้วยชานะถ้วยชาในความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรแต่ว่าถ้วยชาให้รู้มันนะมันแตกจะร้องให้กับมันนะอย่าไปติดมันนะจับมาให้โลกรู้จักว่าถ้วยชาแล้วก็แล้วไปเอ่แล้วไป อย่าไปรับรองอะไรมันตรงนี้อันนี้มันไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะเราจะเรียกไหวไหมเอาถ้วยชาม่ให้สิก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอพอพูดแบบถ้วยชาท่นนี้เพื่องแม่วะ่ะถ้วยชาเป็นเรื่องสมมุติเนะี่ยเรื่องสมมุติพ้นจากนี้ไปมไม่มีชื่อฮะ <c oughs> <c oughs> เออมันไม่มีชื่อที่มันจะมีชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่ถ้วยชา มีแล้วมันมีมาจากมามีมาจากที่มันไม่มีดีแหละทําให้มันมีขึ้นถ้าพูดตามธรรมชาติมันน้อยก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรคือพูดีีอย่ากงมีี้มมุทท่่ใหันมีีเกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมีเนี่ยถ้าพูดก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ามาก็ไม่รู้นะก็พูดไปอย่างนี้นะ สิงทั้งหลายเหล่านี้ทำมันง่ายถึงขนาดนั้นก็ไปกันปวดเสยใชเออฉันจะเอาเนี่ยจะไม่ให้ฉันเอาฉันจะไปเอาอะไรอีกนี่ยใ่ไมอา้าวไม่ให้เอ า, เอาฉันจะเอาอะไรมันคนอยากได้อยู่นี่นนนอาคล้ายๆที่ว่าข้างน้นบนข้างนี้มันล่างคนมันติดข้างบนข้างล่างคือพบต่าแล้วพบถูันี้ปีอยู่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 ฉันจะรู้ได้ว่าข้างบนข้างล่างเพราะฉันมองเห็นอันนั้ น, น, นบนข้างล่างไอ้ตรงนี้ที่ไม่มีหรือฉันไม่รู้เรื่องที่ว่าที่เรียบไม่มีอุปทานนั้นนั่นก็อยู่ตรงนี้เราไม่รู้จักมันเราไม่มีเครื่องหมายเรามีเครื่องหมายข้างบนที่เราเรียกว่าข้างบนเนี่ยข้างล่างจะให้ผมทําไม่ให้อุปทานจะทํำยังไง ไอ้ที่โยมผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้อุปทา น, นี่โยมผ่านไปยังไงไหมข้างรักนข้างล่างอันนี้มันก็มีเห็นเป็นเหตุทั้งวุ่นวายเป็นภพเพราะเราเคยอยู่แต่พบถ้าว่าอย่าให้ให้ปาร์ตี้จากพบแล้วมั น, นมงงที่เราไม่เคยไปไม่เคยรู้ไม่เคยดีใจไม่เคยจองตรวจไปอย่างนี้อืม มันก็ยากอยู่อันนี้มันก็ยากอยู่เพราะอะไรเพราะความต้องการของเราตรงนั้นมันที่หมดความต้องการแต่มันเหลือแต่คำพูดมาพูดให้รู้ตรงนั้นบ้างมันเป็นอย่างนั้นแต่พูดแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันก็สงสัยกันตลอดเวลาอยู่อย่างนี้เห็นไหมวีมดกับสมุดเนี่ยเมื่อหยดพูดมันก็มีราคาเท่ากัน เราพูดขึ้นมันก็มีไสมมติมันมีมาสิ่งที่มันไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีนั่นก็มันมีมาเพราะสิ่งที่มันมีมันจะเป็นตรงมันอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพูดเข้าใจยากเส้นหนึ่งเบียนอาตมาอาตมาก็พูดไปตามความเห็นอย่างนี้เน่ยพูดนี้ไม่รู้จักว่ามันถูกหรือผิดใครก็ไม่รู้จักอ้าว ท่านพูดอย่างนี้ทําไมเพื่อไงผมกังใจได้ไม่รู้อาตามาก็พูดอย่างนี้มันเรื่องที่จะพูดอย่างนี้มีอยู่ถ้าไม่พูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดว่าวิมุติมันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือจะไม่ตอบเลยก็ไม่รู้เรื่องไอเรื่องคนที่ว่าอยากจะต้องการอันนี้อยู่ถ้าได้ต้องการนั้นนี้มีก็ดีใจถ้าของนี้ไม่มีอยู่ไม่มก็ไม่ค่อยสบายใจนะ เรื่องว่ะมันปรากฏจากภพแม่ฉันก็อยู่ในพพถ้าไปอยู่ในที่ไม่มีนะฉันพูดไปออกฉันก็ฟังไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องบุญวายอย่างนี้เอาที่ช่วยสินะฮช่วยที่เอาดีถึงไปที่ช่วยไปดิเอ้ อามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, า, หา <c oughs> อยากได้มันก็เป็นไม่อยากได้ก็เป็นสุขมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นเป็นตัณหาอย่างนั้นใจฉันทำยังไงเนะี่ยเดินไปข้างหน้าก็เป็นตัณหาแล้วถอยหลังก็เป็นตัณหาแล้วจะให้ฉันทำยังไง งันฉันก็หยุดอยู่หยุด อ, อ, อยู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจะใหฉ้ฉันอยู่ยังไงอันนี้มันเรื่องเรื่องลำบากซะหน่อยอยืนอยู่มันก็มีตัวมีตนเดินหน้าก็มีตัวมีตนถอยหลังก็มีตัวมีตนคระพุทธองค์ชัน่า อ, อ, อันนี้มันก้อนอัตตาเป็นอัตตาอัตตาแต่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตน มีจใจฉันอยากว่าอะไรเออนี่มันเป็นกันใช้อย่างนี้นะคือคำพูดอันนี้ น, ะนี่มันเป็นคำพูดที่เรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำถ้าค น, นไปคิดจนเกินไปซะว่าวจนเหลือวิสัยของเรามันคิดไม่ได้ มันเป็นเรื่องสมมุ ต, ติเจอสิ่งทั้งหลายก็สมมุติมาเรียกว่าสมมุติไม่สมมุติมามันก็ไม่ใช่ก็พูดทั้งก่อนอาตาแล้วนั่นถ้าว่าไม่มีตัวตนคนมันเหงานะอันนี้ก็พูดอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่ของอย่างเนี้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่มีกำลังใจจะทำงานแล้ว อันนั้นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราหมดไม่มีกําลังใจทํางานไม่อยู่ทําไมจะอยู่ไปทําไมในโลกมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไปทางโน้นอือ ม, มันก็แดดไปทางนน้นแดบกบทางมันที่จะต้องไปนั่นแหละจะหาที่อยู่นี่ไม่มีที่อยู่ที่ไม่มีแล้วนี่เอาทําไมก็เขาจะเอาอยู่เนี่ยก็ไปหาที่มันมีอยู่ที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เดือดร้อน มันจะต้องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ข็คำพูดนะอันนี้ก็เป็นคาพูดอันนี้ที่จะเรียกว่าให้มันรู้ยิ่งไปกว่า น, นี้ไม่ได้นอกจากเห็นเองจำเป็นก็จะเป็นอย่างนี้ทางานไม่เอาผลงานมันก็แปลกนะคนทำงานมีอยู่คนจะรับผลของงานนั้นไม่มีอย่างนี้มันก็ลาบาก ทือคนมันต้องการต้องการผลของงานต้องการผลของงานก็ต้องการพบมันต้องการพบมันก็ต้องมีา่าตอย่างนี้พูดในคนธรรมดาของเราฟังก็น้อยใจไม่เําลสมลใจอันนี้อาจา์มาต้องอยากจะพูดหอกโยมจะไม่อยากทำงานแต่เมื่อรู้ไปทั่วโวกมันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อย่างั้นจะอยู่ไปทำไมนีไม่ออกไปทางนี้น้าจะทำไปทำไมอย่างนี้มันก็ลำบากนะ เคยเคยทำแล้วหรือยังเคยทำสมาธิกันบ้างอย่างนยนะเคยสงบไหมสงบไปแค่ไหนกันเออแล้วสบายใจไหมเมื่อมันสงบมันสบายใจนะใช่ใช่ ถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเออนี่นี่แหละมันเป็นนี้มันเป็นนี้ไ อ, อ้พระจำฉรั่งว่าเมื่อความสงบทั้งใครรู้เท่ามันอย่าไปยินดียินร้ายมันถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาก็อย่าไปยินร้ายมันตัานอยู่ตรงนี้อันนี้แต่เราทำความสงบเกินม่มันดี ด, ดีใจที่เกินสบายใจในี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่แน่นอน บางทีอีกวันหนึ่งมันจะไม่สงบก็ได้เมื่อไม่สงบมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึรู้สึกไม่สบายอย่นี้มันสับไปอย่างนี้ในระดับนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นจริงสัตย์จะทำจริงน่ะเรื่องความสงบนี่ไม่สงบนี่ไม่เอาเข้าไปปนเนี่ยไม่อยู่คนละคนในเรื่องกันเนี่ยถ้าเรามีความสงบอยู่เมื่วันนี้คืนนี้มันั่งเฉยมาพร่งนี้บุญใหมาทำไมเป็นนี้เรา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 อันนี้เราจะพบแต่สิ่งที่ว่าอันนี้ก็ดีแต่เรานั่งต้องการความสงบเมื่อไปนั่งปุ๊มันก็สงบมันก็สบายนี่เราชอบใจเราเลียวนะนะเราต้องการสงบมันก็สงบแล้วอีกบันนึงไปนั่งมันพลิกมันแทงมันไม่สงบสิเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรนี่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกย่างไงจะมาอีกนะตรงเนี้แต่ว่าหากว่าไอจิตของเราที่มันแน่นอนมันไม่เปลี่ยนแปลงไอความสงบเกิดขึ้นมาปุ๊ อย่างนี้มั่นปรอยู่อย่างนั้เออมันเป็นอย่างนี้ของมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอออันนี้มันอาการันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรออันนี้เรียกว่าอสงบตามปัญญารู้เท่าปัญญาตามความจริงมันกกิดเป็นของมันอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสงบด้วยความยึดมั่นถือมั่นถ้าสงบขึ้นมาแมงแสนมันดีวตัเลย ไอ้พรุ่งนี้ไมสงบสงบบุายมันเป็นเพาะ อ, อะไรไม่สบายใจเป็นมามันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะรู้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงนเทราวนี้กราอยจะรู้ได้ว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกอันหนึ่งมันเป็นอุปาทานไอ้ความสงบอันนึงมันเป็น อ, อุปาทานมันจะรู้เห็นแตพาะจิตของเราเมื่อมันกระทรบออกมาเลยคือเมื่อจะทําอะไรเด้อ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 ไอความรู้จริงๆก็เดียวอันนั้นมันเป็นทลังมานอยู่อย่างงั้น อ, อย่างนี้มันจะเป็นนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นก็ ม, มีความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆเช่นรู้จักภาวะของดิงดนะิงดิงมันไม่ชอบอยู่ในนิ่งนะนะจอดมีจังหวัดอุบลดิงมันกว่าในีินะ่งมากรุงเทพมันกว่าในีิ่ถ้าหากว่าใครรู้จัก ภาวะของดิงอย่างเป็นจริงแล้วนัเนี่ะนะไปพบดิงอยู่ที่ไหนมันก็เป็นดินแม่แบ่นี้ดิงอยู่อุบลมันถูกกว่านี้แต่ผมตัวดิงตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยนะมาพบตัวดิงอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแปลกดิงอยู่อุบลอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จากว่าดิงมันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปพบตัวหนึ่งมันอยู่อุบลมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอย่างนั้นพ่อว่าริงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเท่านี้มันกะ ให้ความสงบครองความเห็นอคอบขวมองกันมันจะดิ้นไปตรงไหนก็ช่างมันเรารู้เรื่องของมันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อเห็นเท่านั้นเนี่ยเมื่อได้ยินเมื่อเห็นเมื่อไะ้รยินสัมผัสทางนี้รู้สึกทางใจเราก็มีความมีมีปัญญาเสือรู้เท่าอย่างนั้ น, อ, นอันนั้นความสงบในปัญญา ตนนะไปพิจารณาไมเกี่ยวถูกเอาไปเลยนะมีพูดนี่เป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดขึ้นยกขึ้นมาแต่ไอ้หลวงพ่อตันดูยังไงอย่ า, ไ, ยาไปถามเลยตันเห็นมาจากไหนอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอกรู้เหนนตุผล น, น, นี้ไปตีนาาดูดีแต่หากว่านะถ้าโยมทั้งหลายถ้าพีนาาถึงจุดเนี้ยจะสงบทุกค น, นคนมันจะเกิดทุกคน ผลนั้นคือเดียววะนี่ใช่ผลนั่นเองต่ไปเรียกว่าผลนั้นนั่นก็เป็นตัวอีกแล้วมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ี่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไมีหมดอคือทําให้มันหมดอย่างนั้นมีที่อยู่เนี่ยนี่คือพบอุปทานนี่นั่นให้เกิดพบ พบในมีไว้สำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรงนี้เกิดเรื่องถึงมาเลยเอาพูดง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่ในนี้หละยีบ้านน่ะมีสวนนลำไยสักห้าสิบต้นนะถ้ามีท่านท่านหนึ่งเอ้ยท่านมีสวนนลำไยว่าห้าสิบต้นน่ะคุณจะต้องไปเกิดอยู่ทุกต้นนะเนี่ยคุณจะไม่เชื่อเหมือนกันนี่ฉันนั่งฉันจะไปเกิดทำไมไปเกิดอยู่ต้นลำไยนั่นแหะ นั่นคืออุปาทานมันเป็นภพสาหรับชาติจะมาเกิดอุปาทานนั้นน่ะถ้าอันนั้นได้ตามต้องการเรามัาาานก็รู้สึกอย่างไม่ได้ตามต้องการมันก็รู้สึกอย่างจะรู้ในตรงนั้นอ่ะเออฉันมันเกิดอย่างนี้จริงๆนี่คืออุปาทานมันยึดให้เกิดอย่างนั้นได้นะที่นี่อีกสวนหนึ่งเป็นสวนของคนอื่นที่เราไม่ต้องการได้รับรู้ อยู่ติดติดชาวบ้านเราแหะจะมีคนคนอื่นเอาหิดไปสับสวนคนอื่นต็เราเฉยใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนั้นเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ของของศันอย่างนี้นนนมันกไ็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกหวังแหนะก่างเช่นนีาอย่างโยงนะกับนุงพ่อเนะอนี่ยนะ รู้จากกันดีอีกบัณหนึ่งจะเดินจะเดินไปกระบวนรถไฟโยงก็ขึ้นไปรถไฟออโยงก็มาเลวตาก็เห็นอยู่ทำไมถึงถามอย่างนั้น อ, อถามทำไมทำไมโยงก็มาเลยโยงก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงถามอย่างนั้นน่ น, นแหละมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้น มันเป็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักอย่างนั้นนี่มันมีมันมีอธิบายไปหลายๆอย่างเรื่องภาษาของโบกลอนนี้ยมมาจากไหนเรนนี่อ๋อจะให้มันดูสิท่านต้อง ก็เอาขนาดนั้นเอาแค่นั่นแหละโยมเอาแค่นั้นน่ะนั่งสงบแล้วก็จะยืนจินออกไอความรู้สึกันั้นเหนมีอยู่อย้จะนั่งจะดนงขาูไว้ มันการนั um, ่งเปหาสที่บงนั่งอืมถ้ามันนั่งีไนี่ก็เดินให้เราจะนั่งนั่งได้ก็นอนได้ปะยชนไงอืมพอก็ยุดมันแค่นั้นะมันได้แค่นั้นเออ มันเคลื่อนไหวดิญาบทเราท่านหมายความว่าเราจะนั่งท่าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกทนเราจะยืนอย่างเยียวมันไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ hal. ยืนบั่งนั่งบงั่งนอนหมั่งในดิญาบททั้งสีนี้ให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นอจะไปนำกองทุกข์ออกมาใส่ตัวเราเช่นนั้นให้รู้จักรว่เสียเนเป็นยังไงไหมให้รู้จักถ่ายทอดอยุคสมัยให้เรามีความรู้สึกนีส้สติอยู่ มีคะพันธะอยู่รู้ตัวว่าวเวลานี้เราคิดอะไรมาคิดจะเป็นกุศลไหมไม่กุศลไหมไม่ควรแต่เรามไม่ควรในเรารูรา้จักอานี้อ ย, ย่เย้ย อ, อ, อย่าไปชั่งเลยอย่านั่งไปชั่งเลยอย่าไปชิ้ให้มันตายตัวเลยเ อ, อย่างนั้นงนั้นจะมีใครทำได้ไหมใครมีใครทำได้เกยียตัวไม่เียรตคนกเ่ยนั่งหรตายกันเทานั้นเอาไมคิดเอาพอสมควรกำับเรา อืมใหรู้จักประมาณพอสมควรอืมแต่ก่อนนั่งในชั่วโมงเหมือนนี่นั่งในหา้าในสี่ใจแล้วสบายใจะจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนเนนั่งนั่ง น, น้อยแล้วเกินฉันไม่สบาใจเข า, านั่งน้อยเนี่ยจิี่เนี่ยแค่นั้นก็เอาอืมไม่เปน็นการยืนการเดินก็เอาในยังเราพ้นจะไม่เ้วจะคนในขวานไม่มีขวานเนี่ย มันเลือ่อยเลื่องมันมีจอบขุดมันมันนได้เยอไหมตัวเนี้ย อ, อยางเช่นไอ้ขวานตัดยังไม่มีขวนานจะทำไงจะค้นไม้จะมีได้ไั้มเราต้องคิดตรงนี้ปัญญาอย่างนั้นจะยืนเดินนั่งนอนท่านจะทำจิตนี้ให้มันมีความรู้จึตเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมม า, าทิฏฐิได้เราจะนั่งน้อยนิดนึงกรทั่งปฏิสันนั่งมันกิริยาน ฉันมันเป็นปรมอู้อยู่อนในจน้อยก็เอาัน เ, เ, าาเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดูโตกัอนอะไรเลยเแตคิดอนี้นะดเหลเหลไปเคยเช่นี้อยากเน้ให่หมดขวดนะถ้ามันร่นก็ร้องไห้แต่ฉันนน้ำน้อยมันจะเป็นไปได้ยังไง มก็ได hey, ้แค่นี้หน่อยเนาะสาวแค่นี้พอถ้าไม่พอก็บุญตีเกลี่ยดึงไม่พอเอ้ยก็ได้ทำไมเกลี่ยได้หลายคั้งได้หลายโหนเราเราได้ช่วยใบใหญ่ทีนึเดียร์ทีเดียร์สะพอนอันนี้มันเล็กเรามีรถเล็กใส่รถสิบล้อรถสองแถวนึ่เลีไปโหนได้อาจจะกองพยายามแค่นิดหน่อยโ ทางเดียวไม่พอไปโขนอีก้องทางพอโขนไม่เคยรอดสิบล้อจะไปเที่ยวก็รอดสิบล้อเขาได้เนี่ยเงันก็เป็นโชคที่จะทำไงอันนี้เรื่องปัญญาของเราลอกมันจองคิดมันอย่างนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเป็นกรรมาฐานเท่านั้นให้ใจใจอย่านี้ใจมันนั่งนันงจันดนะี <c oughs> นนสงบ ฉันทำงานไปไหนฉันก็ไปไหนปฏิบัติมันจะตายตอนนั้นเน่มันมีเหลือเลนี่ไอ้คิดดีกันดีสนนี่ยึดข้เก็บหลังปวดเอวเนี่ยไม่วดในนี้แวไม่ถูกของแขกที่ผมใครรู้ทุกวันนี้โดนก็ไม่สนใจได้แล้วจะจะมาที่มาฉันขาดมันเป็นไปอย่างนั้นเออไอ้คิดนั้นกะสุนไไม่ ชอบเป็นเงินผมชอึกเป็นนั่นลึลเป็นนี่ลเป็นั่นลึกเป็นนีแล้วพอย่างรแหละเวก็ไปหาดูหมอจัหาเาถอดถอนกันเป็นอะไรตออะไรปลูกอะไรต่อะไรวุ่นอะไรอันนี้มันมงคลตื่นข่า เออทานไหนก็ได้แล้วจะนอนท่านก็ยังให้เลย<ม>อย่าไปสงสัยในการเราเอ้อแหมปัญญามันมากเหมือนพระอริยเจ้าแต่ันก็่งหมายถึงมันปัญญาไทหรอกเนี่ยมากกว่าปัญญาไทมันก็เป็นอย่ญญางนั้นเนี่ยเขานั่งจมาที่ั่งจนั่ง จ, งจมาทีแต่ความเห็นมันไม่ตรงไม่ถูก เตไปได้อย exactly. ่างนั네้น่ทมันโผไปได้ในตอไปยกครูที่ไหนอยู่เราพอแล้วนตอนขอถึงก็พูดอยู่เรื่อยขอถึงก็ทำอยู่เรื่อยขอถึงประสงค์อยู่เรื่อยทำไมฉันขอบ่อยๆเลยขอถึงฉันไปได้มันจยากอะไรเมื่อกิจตนมันจะขอถึงันก็ไม่มีทำกิมันสงบให้มันมีสติ เรามันมีสติสแต่ดิไม่รู้หน้าอยู่ว่าจะทำอะไรต่ออะไรไม่ริก่อนเมื่อเรื่องจะใครมีสติรู้เข้าทันทีเมื่อจะไปทำอย่างนี้เมื่อจะไปจับแก้วก็ได้เอื้อเราจะมีเพื่อจะไปจับเอา่อาวยนี้จะรู้กเมื่อเราจับมาขวยนี้มันจะมาทำอะไรอยู่ก็เป็นจะปะชัญญาให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ บัดนี้เราเราล้างจานอยู่เดี๋ยวนี้บางทีจิตของเราเนะี่ยเมื่อเราร่างจานไว้นี่เราเหื่อยเรคาคิดอยู่ไเราเป็นฝุกมันเป็นทุกมั้มีความอิจฉาม้งมีความพยาบาททั้งมีอะไรมั้งต้องรู้จักอี่ทํอันนี้อยู่จิต เ, เราห้ามันเป็นสมาธิอยู่มันมั่นในการปกติของ อั น, นี้เราล้างจานให้มันสะอาดจิตจะสุกสงบไปย่างไรไดบ่นไปขั้วไปไม่รู้ว่าฉันล้างจานฉันใจไม่ล้างไม่ล้าง จ, จานให้มันสะอาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรมาเปื้อนเมื่อไรมันมจะมาลุกจับสติจำปัญญานี่เพื่อจะให้ใค่มันจะมีล่างอะไรมาจับมันรุกจับนนมีล่า นายโยมจะนึกว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกใช่ไหมว่าทํางานกับคนคนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไม่เซียนพระใครก็อยากได้ตรงนั้นแหละที่มาทํางานด้วยกันไม่ ใ, นในช่เซีนพระเลยอยากความอยากแล้วนะทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างเนี้ไม่จะรับรองกันแล้ ว, วเซีเซีนรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมันต้องเป็นไป อ, อย่างนี้ ถ้าพูดเช้าฉันบอกว่าอุประสรรคเด่ไหน่นนอยจะช่วยบรรจุตรงนั้น อ, อธิการมาเะงับแล้วมาเห็นนี้ตรงนั้นมีคําคําพูดเดิมบองท่านพระนั่งอยู่ในบ้านนี้คนอยู่ในบ้า น, น, น, น, านมาบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมามาเจอแพ้เขาเลิกเพ่ออกมานะออกมาเพื่อความเปนะ็นหน้ามาศึกษาให้มีความรู้อีกเพราะนั้ น, นเราต้องแบ่ง กดก็ไปในป่าในเขาอีกหนีมันตายไม่เช่นนี้เดี๋ยวงโง่ไม่เช่นนี้ดูความแท้มันนี้เพื่อความเชนะเพื่อฝึกเมื่อมีกําลังแล้วก็จ่อสู้ได้เข้ามาอีกไม่เช่นนี้เปเรื่อความเปนะ็นของพระเขาการหนีโกมันกันฉันนั้นก็ต้องทํำเราก็ต้องท ำ, งทำมันยากเป็นจามลาของมันมันยากคนน่ะ จะมันมีการงานทําโดยมันก็ยากยากเทอะอยากจะทําอืมก็เลยมาทําการงานเนี่ยทำเลยมันก็ยากยากเพราะมันไม่ไะไตามปรารถนาบางอย่างไม่จะเอาไงล่ะก็เราอยู่อย่างนี้จะเอาไงเน่ยทุกวันนี้โยมเข้าใจไม่ว่ากลัดบางอย่างอยู่ในโลเอ่าไอ้ที่โยนุยทั้งหลายจะเบียดเบียนมันอ่ะอืมสือว่า อย่างนี้เป็นต้นก็เบียดเบียนมันเห็นว่ามันมีพิษมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายให้เขา อ, อยากจะฆ่ามันเหมือนกันอันนั้นก็เพื่อนหนึง่งสัตว์ยังยิงก็เป็นกระเสือเหมือนกันอย่างเนื้ออยู่ในป่าอย่างกวางอยู่ในป่าอันนี้เขาโอนตามค่าเหมือนกันค่ามันทำไมเพราะเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อย ทีนี่สัตว์สองอย่างนี้จะไม่มีในโลกเลยเด้อวิธีทำไงมันดี B. มันก็ตามค่าชั่วมันก็ตามค่าหเราะนั้นต่อพุทธองค์จยระวังระวังไม่ใช่อุปสรรคอย่างนี้เลยถ้ามีใครมากัดข้องนะชายโยมมันมีสัญญาิโยมรวยอันนั้นแหละคืออุปสรรคอุปสรรคของโยมมันกันมันรวยมาแล้ว มันจะลืมตัวก็ได้ไหมนี่้าคนมันมีปัญญามันต้องแพร่เขาเรื่อยไปนะถ้ามันหมดไปก็เรียกแพร่เขาเพราะความโจนดีกว่าอันนี้มันมีอยู่ในโลกทางนั้นเนี่ยโยมจโยงถามว่าจะมีอุปสรรคไหมนั่ น, น ม, มีถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่สะดว ก, นดน ก, กันนี่อาจารงานในโลกันเป็นอย่างนี้ การเรตามาอัตมาอยู่เนี่ยอัตมาอยู่นี่คือุปสรรค ก, กั้งนั้นตั้งแต่บวชมาเธอก็อุปสรรคนี้เรื่อยมาไม่ขาดเลยพระพุทธเจ้าของเราจะ อ, อุปสรรคนีม้มาเรื่อยกับประโจนมนันยังไงล่ทะทันวัฒนามานมาเรืยเรื่อยเรือปัญญาของท่านอืตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นเนี่ยตรงที่ทํางานตรงที่ยังไม่เสียจน ต, ตรงที่ทํางานตรงมันลําบากตรงที่มันทํางาน ตรงที่ยังมาตัดรูปธรรมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วเราจะคิด้ะก่อนมีคิดจะคิดบ้างแต่ย่าให้ดูชาวคนคิดตรงเราอะอนาคตจะเป็นยังไงเนาะเาะเป็นธรรมราต้องคนติดสอบคิด อ, อนาคตนั้นยังไม่มาถึงบางคนกลัวใช่แล้วกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนนี่คิดแล้วบางคนก็คิดไปเกินไปรวยใะแล้ว คิดไปก่อนก็รวยจะแล้วแต่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เลยนึกว่ารวยก็มีเนองว่าจนเลยด้วยกลัวที่จะก่อนก็มีเป็นแช่อย่างนี้ยังไม่แน่นอนนะโยมนะที่จะแน่นอนด้องทไปฮะนุ่งทําไปด้วยความสิทธิสละสุดประดิษของเราตามกําลังของเราทําไปดูไปแก่ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเนี้ย อืมเยาวการทํางานควรที่ควรดูตรงปัจจุบันของเรานั่นแหละอืมทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตทำไมดีแน่เลยดีแน่ทําไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้กรมีปัญญาก็ดีแน่เลยนะอย่างนี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีอุปสรรคจะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องวัดแตาจะมีปัญญา อ่านั่นกาดีเพื่อสัญญาของเราใช่นั่นก็ดีเพื่อสัญญาของเราดูก่อนทำไปก่อนเถอะคือปัจจุบันนั่นทาดูกันปัจจุบันนั่นรู้เรื่องกันน่ะอะทำ พอะสามที่มาละคุณยๆ ก, กนะ็ไม่อยากจะพิ้วลกตมูลนะไม่อยากจะตใานนั่นก็ปัญญาอีกละโยอนนั้นก็เรื่องปัญญาของเราพระพุทธเจ้าท่านก็หลบเหมือนกันลบเพื่อสู้ลบเพื่อชนะไม่ใช่ลบเพื่อแพ้นี้ไปเพื่อชนะนี่ไปเพื่อมีใช่ชนะเข้าใจไหม คนมีปัญญาจะก้าวกลับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกนี่เรียก ว, ว่าปัญญาแล้วแต่ว่าอุปสรรคสัสน้นแต่ว่าตรงนี้อไม่ซอดทอ ย, ออยเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราเอาธรรมมาเข้าควบัซะมึงต้องมีทั้งสองอย่างนะนี่ยคนเราก็ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเบียเดเบียนกันไปฆ่ากันไปแกล้งกัน ไปอิาพยาอบาลกันไปขโมยต้นอะไรกันเพราะอะไรเพราะคนผิดหวังความผิดหวังมันมีขึ้นมามผมก็คิดว่าจะหน้าทหรือ่ความหน้า <laughs> <laughs> นั่ <laughs> นเน่ให้เรามีปัญญา <laughs> ให้เรามีปัญญ า, <laughs> ญญา <laughs> ความปีก <laughs> ินที่สลายแล้วเนี่ยเราต้องอยู่เหนือมันทั้งนั้นะนะนะ ถึงแม้น เ, นเราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแพ้มันก็ให้มันแพ้มันตายคิดใจอย่าให้แพ้มัน อ, อ, อยาอาแพ้อยากชนะมันโลกเขามันต้องพูดกับแพ้ผมพูดว่าชนะแต่พระเจ้าของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันก็หมดแพ้นั้นมันจะมาตรงไหนหนนะอืมคือสวาจะมาตักทีมันทําอะไรทุกอย่า ง, างก็ทำอย่างนั้น นี่ก็เป็นเลยก็เป็นมาเพราะว่าดวงก็สอนอย่างนั้นอนาคตนั่นอย่พึ่งอันนั้นเล่นอยู่ตงหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะทำให้เราทำโดยความมั่นโดยความสบายใจเมเออข้นาาวองขึ้นมาทำอ่าไม่จดย็นเย็นวสบายใจเไนั่นนั่นแหละ อ้าแล้วนั่งเที่ยวอรแล้วกตายก็กลัวไม่ถึงลกายเราด้วยมันก็ตเที่ยวไปอืมอันนั้นผู้ทำเลยจะิปัญญาอืมทําดยจนเองปัญญาเราจะตั้งใจว่าอืมจะทำตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้ แต่มันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นก็เรียกว่ามันนั้นมันกิเป็นธรรมมาเลยอันนี้จังมันจะไม่เที่ยนอยู่แล้วนะฮะนั่นก็เข้าวัลงพระพุทธเจ้ า, ข อ, อาของเราดิมนไม่แน่ทาอย่างเนี้ไม่มีทุกข์รอกมไม่มีทูกข์อ่ะอะไรมันจะอะไรมันจะเสียไปเสียไปสไปั่งหลายสั่งมันเน่ยน้ําจะไปส่วนบานแล้วก็ตามไฟก็ไม่บ้านแล้วก็ตามยานยามันไม่ใจเราเข้าใจไหม อะไรจะเสียก็ได้มาเสียก็เจอน่ะใจเราเสียแเรามอแล้วเนี่ยตรงจังนี้เมื่อมันขาดทุนก็ขาดไปทียอืมมันไม่มีทุนที่ใจมันขาดแล้วก็ขาดไปทีอย่างมันขาดที่มันได้มามันก็มีเนีไงที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาฉะนั้นแล้วมันเสียไปไม่ใช่อที่ไหนมันเสียมันนอกเมื่อเราคิดแบนี้ละมันก็ไม่เสียอะไรอยู่ยกจะของเอาไปไม่ได้เห็นไหมไราถูกไหม อืมตึกหลายชั้นโรงแรมมีแม้แอ่ไอไม่ไนไลน์ที่ตั้งอยู่ในโลกอะไรก็มีอย่างเงี้ยอืมถ้าเรานี้ไปแล้วก็ไปในไลน์นี้เนี่ยไงใจยังให้ใจรเราเสียคําที่ว่าใจของเรามันเสียนึ่นก็นเรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจรเราก็เสียไม่ใช่ใจเนท่านั้นนะวัตถุมีขึ้นมามากวัตถุสมบูรณ์มากใจกรเราก็เสียนะคนไม่รูดีเนี่ยดีมันทับเจ้าของรวยมันทับเจ้าของเนี่ย ดูนเนื้อรูนตัวอีกขึ้นอีกนะเอออ่ะมันจะยังงี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนมีปัญญาแล้วมันเสียทั้งเห็นทั้งรองอ่ะมันจะได้มากกว่าเสียมันจะเสียไปกวเสียใช่ถ้าเรามีธรมมาเราก็สั่งมันเถอะโยมอืมเราทําไปตามธรรมะของเราเนี่ยเราดูไปฮะใช่อืม อย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียที่อะไรใครอะไรจะเสียเสียไปทีน้ําจะท่วงให้มันท่วงไปทีไฟก็ไม่หมมันจําเป็นเราแก้ไขไม่ไหวจะทําไงเนี่ยก็เพื่อนก็คนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักแล้วมันตายไปมันตายจะทําไงมันตายจะไปทุกข์อะไรมากมายก็มันตายเราไม่ให้มันตายดิเขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกข์รอดอะไรมากมายแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหือ เราคิดยังมีอายุเราก็ยืนเท่านั้นยต้อ ง, <objeto> งเป็นอย่างนั้นยังกลัวมันอุปสรร์คิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผืนแล้วอันนั้นก็ต้อง ท, ำทองํงๆๆๆทำคงไปกันมันนี่เรียกงนเดี๋ยวทําในปัจจุบันอนาคตเอาไปดูกันซะก่อนมันไม่แน่นอนหรอกยังไม่เกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นกลางหน้าโน้นแล้วเพงเอามา บางทีเอามาควนก็แติยังไม่ทำอะไรเลยือบางคนปลูกแจงโมลงไปกูดิบลงเยอะเลยแล้ ว, ลวอืทําแจงโมสักพันขุม <c oughs> นะปลูกลไปสักพันสองพันขุมขุมหนึ่งต้องต้องเอาตนั่นตะนั่นตะนั่นแจงโมยังไม่ปลูกเลยเนาะได้ <c oughs> เงินมาแล้ ว, ลวเสียคนเดียวตรงนี้นะง่ายเมื่อไปทําแจงโมไปเลยผลก็เสียหายเลย จะไปคิดมันอย่งนั้นดีแร้วค่อยๆคิด ค, ด ค, ดคดตอยๆทำค่อยๆเพื่อให้มันได้ยังให้มันเสียนี่แล้วเขาทำไปอยเงนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นไม่ทาอะไรไได้ทําอะไรปีหน้าฝนจะตกดี้ไหมน้อนี่จะเป็นยงไงนอนี่สงสัยยังก็ไม่ได้ทำเท่นเานั้นแหละเพราะงคนทํานาก็ไม่ต้องต้องทำมันไปทุกปีน่ะนาเรามีแรงก็มันแรงไปสิอะไรก็มันลายไปสิเรา็นคนทํานาที่ต้องจำรู้กันนี่้จะว่าไง ก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วตั้งใจทำอะไรก็ทาก่อนดีอืมพระพุทธเจ้าสรัสบอกจะไปพวุงกับผลมันเลยดูเหตุมันี่ดีกว่า่ผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทํานี่ดีกว่าอันนั้นผลมันแล้วอืไม่เป็นใจถ้ า, า จ, จะทําก็ต้องทําถ้าต้องทำแต่ต้องทำทำไม่มีธรรมะทำไม่มีหลักฐานในใจของเจ้าของให้ไม่เปลี่ยนแปลารในใจของเจ้าของ เออนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียเออมัให่มันเสียหทิเราอืมเราทำไปเลยธรรมะเนยมันทำไปเลยธรรมะ ไ, ไม่มีอะไรจะเสียพูดความวิอีไอความาคิดเราคิดไปมันเสียเท่นั้นแหะอืมความคิดไปมันเสียเขียนว่าไม้ท่อนนี้กลายเป็นเด็กมากลายเป็นหนุมนหน่มมานำมาแบกมันไ ม, มน่ก็ไม่น่ แกเจ็ดปีแต่เจ็ดปีนำมาแบบมันหนักหมายเท่านี้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นหรือเปล่านรืออะไรฮก็นหนุ่มมันก็มีกําลังมากมันก็ไม่นักแต่ว่ามันไม่นัก้าทั้งน้ำหนักแต่ยังมีเท่าต่อน้าหนักมันแต่แรงมันถอยลงไปได้ไม่ใช่อะไรมัน้นท่าต้องทำแล้วไมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำท า, าทำทั้นั้เนเงิบเี่ยวการก็ทาที่มีประโยชน์ ทำอะไรต้องให้มีมกําไรที่ไม่เสียดิยใช่อย่าไปทาอย่างนั้นให้มันมีถึงว่าไอ้ไอของภายนอกมันเสียไปว้างก็ก็อย่าให้มันเสียดังในอ่ะทํามันได้มากมากกอย่าให้มันเสียมันกันนะได้มากก็เสีย น, นั่นนี่